วันนี้เรามาฝึกหัดทำสมาธิจากที่ทำไม่เป็นไม่เคยทำทำไม่ได้ให้มันเป็นขึ้นมาให้มันได้ขึ้นมาให้มันถึงจุดที่มันจะทำขึ้นมาได้ในรายการธรรมรับรุนช่วงของจิตตะวิเวที่เราจะมาฝึก ทำสมาธิชนิดที่เป็นรูปแบบกันรายการนี้จะโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาซึ่งมีพระมหาไพบุญอาภิปุณโ น, โนเป็นผู้ดำเนินรายการเรามาเริ่มกันด้วยการตั้งสติขึ้นเติมฟังจะทำสมาธิให้เกิดขึ้นได้ต้องเริ่มจากการตั้งสติขึ้น สมาธิไม่ได้เกิดที่กายแต่สมาธิเกิดที่ใจกายจะอยู่ในอิริบทไหนจะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนนละไม่ค่อยเป็นสาระสำคัญเท่าไหร่จะอยู่ในท่าทางแบบไหนไม่ว่าบางคนอาจจาขาขวาทับขาซ้ายขาซ้ายทับขาขวาหรือจะนั่งเก้าอี้หรือจะทำยังไง อันนั้นมันไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่มันสำคัญอยู่ตรงที่จิตของเรานั้นมีสติหรือไม่ทีนี้ตรงที่จะให้สติมันเกิดขึ้นได้บางทีมันต้องอาศัยกายมันจะเกี่ยวกันตรงนี้วิธีการที่เราจะฝึกในที่นี้เราจะใช้อานาปานสติคือลมหายใจของเราที่เป็นส่วนหนึ่งของกาย วิธีการฝึกเจริญอาณาปานาสตินั้นแต่เนิ่นเริ่มจากการที่เราหาเสนาสนะอันสงัดเข้าสู่เสนาสนะอันสงัดซึ่งเสนาสนะอันสงัดนั้นถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นส่วนต่างก็ต้องเปรียบกับเสนาสนะที่ไม่สงัดเช่นสถานที่ที่มีคนพลุกพล่าน มีเสียงดังเอื้อตึกอคือโครมมีกิจกรรมอะไรต่างๆมากมีลมที่เกิดจากผิวกายของคนเดินเข้าเดินออกอยู่บ่อยๆอันนั้นคือเสนาสนะที่ไม่สงดแต่เสนาสนะที่สงดคือเสนาสนะที่ไม่มีคนพลุกลานหรือถ้าจะมีคนมาก แต่ว่าไม่ได้ทำกิจกรรมอะไรกันอยู่กันนิ่งๆเฉยๆหรือว่ามีลมที่เกิดจากคนเข้าคนออกน้อยแต่ก็จะยกตัวอย่างถึงวัดบางแห่งในสมัยพุทธกาลที่มีพระภิกษุอยู่กัน 500, 000, 000, เป็น5้าร้เป็นพันเป็นหมื่นรูปนี่แต่ทุกคนเนี่ยนั่งกันนิ่งเงียบไม่มีเสียงกอะ้อตื้อคือโกรมไม่มีใครกระแอ ม, มหรือไอขึ้น พวกวิษุนี่ก็ไม่ได้เดินพลุกพล่านเข้าออกกันอยู่บ่อยๆอย่างนั้นจะเรียกว่าเป็นเสนาสนะอันสงัดก็ได้ตัวอย่างเช่นคอฟฟี่숍บางแห่งที่ก็มีคนนั่งตรงนั้นตรงนี้แต่เขาก็ไม่ได้ทำเสียงเอตโรอะไรกันคนเข้าค น, นออกก็มีบ้างแต่มันก็ไม่ได้มีเสียงตึงต ong อ, อะไรกันขึ้นหรือก็ไม่ได้มีใครมาสอบถามยุ่งอะไรกับเรา จะเรียกว่าเป็นเสนนาสนะอันสงัดได้ตัวอย่างที่อื่นอื่นก็เช่นในห้องนอนของเราที่ไม่ได้มีกิจกรรมอื่นต่างๆอย่างไรเรามาเข้าสู่เสนนาสนะอันสงัดแล้วก็นั่งกูขาเข้ามาดูรอบนีเป็นพุทธพจน์นีเป็นวิธีการที่พระพุทธเจ้าท่านให้ไว้อย่า ง, งกว้าง คือถ้าเสนาสนะแห่งนั้นไม่ได้มีเฟอร์นิเจอร์มีตั้งเตียงหรืออุปกรณ์อะไรที่เราจะนั่งให้กายมันตรงได้จะให้กายตั้งตรงขึ้นฝึกสตินั้นก็ต้องมีฐานที่มัน่นคงจะให้มีฐานที่มั่นคงรูปร่างที่จะดีที่สุดก็คือเป็นสามเหลี่ยมการจะให้ฐาน ของร่างกายของเราจากที่เป็นสองขามันไม่มั่นคงเท่ากับนั่งเป็นสามเหลี่ยมหรอกก็จึงให้นั่งคู่ขาเข้ามาดีที่สุดนั้นก็คือคู่ขาเข้ามาข้างในเป็นลักษณะของท่านั่งคัศมาทิคือก็จะมีสามเหลี่ยมคือที่ก้นงเราจุดหนึ่งแล้วก็ที่เข่าด้านนอกอีกสองข้าง ที่จะทำมุมกันเป็นสามเหลี่ยมพอดีแล้วลักษณะของการนั่งคู่ขาเข้ามามันก็ดูที่เข่าและเท้าว่าคุณจะเอาเข่าขวาทับเท้าซ้ายเอาเข่าซ้ายทับเท้าขวาเป็นนั่งคัสมาธีแบบปกติก็ได้หรือจะเอาเข่าและเท้าของด้านขวาทับเท้าและเข่าของด้านซ้ายอันนี้ก็เป็นการนั่งขาขวาทับขาซ้าย หรือจะสลับกันก็ได้คือเอาเข่าและเท้าของด้านซ้ายทับเท้าและเข่าของด้านขวาก็เป็นการนั่งเอาขาซ้ายทับขาขวาหรือจริงๆนะจะเอาเท้าทับเข่าก็ดงได้นะคือเอาเท้าขวาทับเข่าซ้ายเอาเท้าซ้ายทับเข่าขวาก็จะออกมาเป็นถ้านั่งคัดสมาดเพชรหรือจริงๆจะไม่เอาเข่าหรือเท้าทับกันเลยก็ได้ เอาขนาดกันไปก็คือเอาเท้าซ้ายกับเท้าขวานี่ออกมาโดนพื้นด้วยกันไม่ต้องเอามาซ้อนมาทับกันยังไงก็ได้เหมือนกันจะนั่งในท่าไหนที่นั่งพูขเขาก็มาได้ตรงนั้นหลักการก็คือว่าถ้าเข่าของเรามันอยู่สูงกว่าเซลคือนั่งขึ้นมาในลักษณะท่ากอดเขานี่มันจะทําให้กระดูกเชิงการของเรานี่มันจะแอนตัว ลงไปแล้วก็จะทำให้เราปวดหลังได้หลักการก็คือให้เข่าของเราเนี่มันอยู่ต่ำกว่าเอวเพื่อที่จะให้กระดูกเชิงการของเรามันยกขึ้นมันก็จะไม่มาดึงกล้ามเนื้อหลังกล้ามเนื้อเอวให้ปวดได้ให้สบายสบายได้เพราะฉะนั้นบางคนอาจจะมีเบาะอะไรมาหนุนที่ก้นให้สูงกว่าเข่าสันนิดนึง หรือหาอะไรมาหนุนเข่าอันนี้สามารถทำได้ทำให้บางคนนี่ก็นิยมนั่งในท่าขัดสมาธิเพราะว่าเขานั้นจะอยู่ต่ำที่สุดละอยู่ติดกับพื้นดินเลยก็จะให้ไม่ปวดหลังตั้งกายได้ตรงนั่งได้นานหรือบางคนจะนั่งเป็นลักษณะพับเพียไปก็ได้คือแทนที่จะคู่เข้ามาก็คู่ไปข้างกลางแดน จะนั่งปับเทียบไปทางขวาหรือไปทางซ้ายได้ทั้งนั้นก็ให้เราสามารถตั้งกายได้ตรงตนบอกว่าวิธีการจะเริ่มฝึกทรรมอาณาปานสตินั้นก็เข้าสู่เสนาสนะอันสงกัดนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบแล้วก็ตั้งกายตรงการตั้งกายตรงก็คือให ขอหลังแล้วก็เอวนี่มันตรงกันไม่เอียงไปทางข้างๆซ้ายหรือขวาหรือแอนไปข้างหลังมากเกินไปหรือก้มโค้งไปข้างหน้าไม่แต่ให้มันตรงกันทั้งสามทิศทางคือซ้ายขวาหน้าหลังแล้วก็บนหลงังทั้งสามทิศทาง ก็จะช่วยกันคนละดานไม่เอียงซ้ายเอียงขวาก็คือไม่ให้มันปวดสีข้างไม่เอียงไปข้างหน้าข้างหลังก็คือไม่ปวดสะเอวให้ตรงกันทั้งข้างบนข้างล่างก็คือให้การถ่ายน้ําหนักเนี่ยมันตกลงมาเพื่อที่จะให้ไม่ปวดไหลโดยการเราให้น้ําหนักส่วนบนทั้งหมดของร่างกายของเราดับบลฟังตกลงบนกระดูกเชิงกรานก็ดยการที่ว่า ยืดตัวขึ้นสัหน่อยหนึ่งอยู่ในท่าที่กอตรงหลังตรงแล้วก็ผ่อนน้ำหนักลงมิดนึงขยายามหาตำแหน่งที่ใช้น้ำหนักของร่างกายส่วนบนของเราทั้งหมดนั้นตกลงบนกระดูกเชิงกรานประว่าจะให้กล้ามเนื้อไม่ว่าจะทางด้านหลังโดยการเอนตัวไปข้างหน้าหรือด้านข้างโดยการเอียงตัวยกไหลขึ้นท่าใดท่าหนึง่ง มันจะปวดกล้ามเนื้อส่วนนั้นอย่าทำอย่างนั้นให้น้ำหนักส่วนบนของร่างกายทั้งหมดของเราตกลงบนกระดูกเชิงกรานอย่าใช้กล้ามเนื้อเกร็งขึ้นเพื่อที่จะรับน้ำหนักให้ใช้กระดูกเป็นตัวรับน้ำหนักหยุดขึ้นสน่อยหนึ่งผ่อนลงนิดนึงหาตำแหน่งที่มันเหมาะสมอาจจะเคลื่อนซ้ายเคลื่อนขวาลองดู แล้วก็ให้เอาศอกเก็บเข้ามาใกล้กับสีข้างคางเก็บเข้ามาใกล้กับหน้าอกที่อยู่ในท่านี้เพราะว่าถ้าศอกของเรามันยืนไปข้างหน้ามากเกินไปมันก็จะทำให้ปวดตรงกระดูกสะบักได้หรือตรงส่วนหัวไหล่ตรงบ่าไหลได้ถ้าคางของเรามันยืนไปข้างหน้ามากเกินไปหรือชดเกินไปมันก็จะทาให้ปวดกล้ามเนื้อคอได้ ก็ให้เก็บคางเข้ามาใกล้กับหน้าอกเก็บข้อศอกเข้ามาใกล้กับสี่ขางเหมือนก็จะออกมาอยู่ในท่าที่มีคอตรงหลังตรงแล้วไม่ต้องเกรง็งไม่ต้องเกร็งส่วนใดๆของร่างกายไม่ว่าจะเป็นเขา่าเป็นขาเป็นเอวเป็นหลังเป็นไหล เป็นคอเป็นคิ้วหน้าก็ไม่ตองเกรงให้ปล่อยให้เป็นสบายสบายให้เป็นอย่างเป็นธรรมชาติปล่อยทั้งหน้าทั้งคิ้วทั้งคอทั้งบ่าไหลหลังเสียเอวขาจนถึงเขา่าจนถึงปลายเท้าให้ปล่อยอย่างสบายสบาย พอเราจัดท่าทางอะไรเรียบร้อยแล้วตั้มฟังต่อไปท่านในดํารงสติไว้เฉพาะหน้านี่เพิ่งเริ่มนะเพิ่งจะเริ่มเมื่อเราเข้าสู่เสนาสนาอันสงดัดหนึ่งกูขาก็ามาโดยรอบตั้งกายตรงแล้วก็ามาดํารงสติไว้เฉพาะหน้าสติคืออะไร สติแปลว่าการระลึกได้ถ้าให้ความหมายของสติว่าการระลึกถึงสิ่งที่ทำจําคำที่พูดแล้วแม่นานได้ฉันว่าเวลาที่เรานึกถึงว่าเอ๊หน้าพ่อแม่เราเป็นยังไงนะเออเราเก็บกุญแจไว้ที่ไหนนะหรือเมื่อวานนี้เรากินอะไรมานะการนึกได้นี่ก็เรียกว่า เป็นสติได้ระลึกได้นันเองก็จะพูดง่ายๆก็ได้ว่าจําได้นะทีนี้เรื่องราวที่เราไปนึกถึงเรื่องราวที่เราไประลึกถึงไม่ว่ายอย่างใดอย่างหนึง่งทุกอย่างเลยความคิดนี่นะความคิดทุกๆอย่างจะมีอารมณ์ที่ติดมากับด้วยความคิดนั้นเสมอ อย่างเช่นว่าเรานึกถึงว่าเมาื่อวานเรากินอะไรนะเราเรากินสิ่งนี้มันก็จะตอมารืออร่อยหรือไม่อร่อยเราคุณไปกินกับใครคนนั้นก็ทําให้คุณแฮปปี้หรือทําให้คุณเสียใจมันจะมีอารมณ์ที่มากกับด้วยสิ่งนั้นเสมอเหมือนที่เราคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้อาจจะเป็นลูกเอ๋บางทีก็ลูกคนนี้จะทําให้เราเป็นห่วงไหมมีนิสัยยังไง หรือจะทําให้เราสบายใจหรือจะทำให้เรากังวลใจจะทำให้เรายุ่งใจความคิดอะไรก็ตามจะมีอารมณ์ที่มาด้วยกับความคิดนั้นเสมอทีนี้ถ้าเราไปคิดเรื่องอะไรที่มันกังวลใจยุ่งใจความระลึกได้นั้นมันไม่ใช่สัมมาสติละทุบฟังมันก็จะเป็นมิจฉาสติเพราะเวลานึกถึงแล้วมันกังวลใจมันไม่สบายใจ มันก็มีอารมณ์ที่เป็นอกุศลธรรมเกิดขึ้นแต่ในอารมณ์ที่เป็นอกุศลธรรมตรงนี้มันจะเป็นสัมมาได้ไงใช่ไหมละ่ะมันก็เลยกลายเป็นมิจฉาเพราะฉะนั้นไม่ใช่การระลึกนึกถึงอะไรทั่วไปไม่ใช่เป็นสติอะไรก็ได้แต่ต้องเป็นสัมมาสติเป็นสติคือการระลึกได้ชนิดที่จะทำให้เราสามารถทำสมาธิให้เกิดขึ้นได้ เป็นสติการระลึกได้ชนิดที่จะให้เกิดกุศลธรรมขึ้นการที่ธรรมฟังจะต้องมาแยกแยะในขั้นเริ่มต้นก่อนแล้ ว, ว่าไอ้อันนี้มันเป็นมิจฉาสตินะการนึกถึงอาหารการนึกถึงคนนั่นคนนี้ที่จะทำให้เรากลุ่มใช้ไม่สบายใจหยุดหยุดยุดไม่ดีเป็นมิจฉาสติแต่การระลึกถึงสิ่งที่ดีๆเป็นกุศลธรรม หรือบุคคลที่จะทําให้จิตใจเราตั้งไว้ได้นั่นเป็นสัมมาสติความแยกแยะตรงนี้ได้และการนันเนี้ยเนนเรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิคือรู้ว่าอะไรมันไม่ดีหรืออะไรมันดีแยกแยะออกจากกันได้ไม่ใช่ว่าอะไรก็ได้ไม่ได้ได้เฉพาะสิ่งที่เป็นกุศลได้เฉพาะสิ่งที่เป็นสัมมา รู้จากแยกแยะตรงนี้นี่คือมีสมาธิิดีสิท่านผู้ฟังรู้ว่าเอ้ฉันต้องมาฝึกทำสมาธินั่นี่นะจากที่ไม่เคยไม่ได้ไม่เป็นก็้อามาลองทำดูให้มันได้ดูให้มันเป็นดูนั่นแล้วมีสมาธิิแล้วแต่ที่จะไปกินดื่มเที่ยวเล่นเพลิดเพลินฟังเพลงหรือดูซีรีส์อะไรให้มัน เปลินตาเปลินใจไปตามอารมณ์ความตื่นเต้นของหนังของเรื่องราวไม่นึกถึงดูใช้เวลาไปกับสิ่งนั้นมันเป็นมิจฉาแต่เรามาใช้เวลาแค่5นาทีสินาทีหรือกว่านั้นแล้วแต่จะเพิ่มเป็นเอาเพื่อที่จะให้จิตขเรามีสติขึ้นมานี่ต่างอากมันดีเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าจะเลิกนึกถึงเรื่องอะไรก็ได้ แต่จะระลึกนึกถึงอะไรแล้วให้เกิดสัมมาสติที่ว่าท่านให้ตั้งดำรงสติไว้เฉพาะหน้าจะนึกถึงอะไรวิธีที่เรากำลังใช้อยู่นี้คืออาณาปนาสติก็นึกถึงลมหายใจไงลมหายใจนี่มันเบสิกมันพื้นฐานที่สุดแล้วมีทุกคนตั้งแต่เกิดมาเลย ออกจากคันมานดานี่หมอเขาฟาดให้ก่อนแล้วคือก็ไม่ได้ปานนั้นคือเขาก็สะกิจสกิจนะสะกิดแรงบ้างเบาบ้างเพื่อกระตุ้นให้เด็กนั้นเขาหายใจคือมีมาตั้งแต่เกิดแล้วไปจนถึงนู่นเลยวันตายเลยตายแล้วนี่มันไม่มีลมหายใจแล้วนะร่างกายของเราระหว่างนั้นก็หยุดไม่เกินหนาที มากสุดตามสติติอาจจะประมาณส0นาทีไม่ถึงดีแต่ว่าจะให้มันต่อเนื่องมีชีวิตยืนยาวได้ต้องมีลมหายใจผู้คนไล่มาตั้งแต่พระพุทธเจ้าบางทีถึงานหยุดหายใจเจ็ดวันนะมากสุดก็แค่นั้นเพราะว่าเข้านิโรธสมาบัติลมหายใจนี้เหมือนไม่มีเลยนิดเดียวน้อยมาก วัดไม่ได้นานสุดก็ได้เจ็ดวันก็ดูลมหายใจนี่แหละถึงเข้าจุดนั้นได้เรามาสังเกตลมหายใจของเราตรงฝังที่มันเข้ามานอกทำให้อย่างเป็นธรรมชาติในที่นี้เราจะดูตรงไหนละ่ะเพราะว่าลมนี้มันเคลื่อนอยู่ตลอดเวลาคืออากาศภายนอกที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยนะแล้วมันเคลื่อนที่ไป เราก็เรียกว่าเป็นลมไม่ว่าจะลมพัดลมหรือลมแอร์หรือว่าลมธรรมชาติลมร้อนบ้างลมเย็นบ้างลมมีฝุ่นบ้างลมไม่มีฝุ่นบ้างลมหมุนวนบ้างหรือลมทิศทางเดียวก็ตามก็คืออากาศที่มันเคลื่อนที่ไปนั่นแหละมันเคลื่อนไปตามอำนาจของความกดอากาศว่าอุณหภูมิสูงบ้างร้อนบ้าง หรือมีคนไกอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะไม่เกิดความแตกต่างกันอยู่ของความดันรวมมันก็พัดไปตามที่ต่างเขาเช่นใบพัดเรือเครื่องยนต์เครื่องจากพวกนี้ก็จะไม่มีลมเกิดขึ้นได้อาการที่เคลื่อนที่เป็นลมถ้ามันมาโดนตัวเราเราก็จะรับรู้ถึงสัมผัสของลมนั้นได้ลมแอร์บ้างลมพัดลมบ้างลมร้อนบ้างลมเย็นบ้าง ทีนี้ถ้ามันเคลื่อนก็เป็ปในตัวของเราผ่านทางปรงจมูเราก็เรียกลมนั้นว่าเป็นลมหายใจเข้าถ้ามันเคลื่อนออกจากร่างกายก็เราผ่านทางบรงจมูเราก็เรียกว่าเป็นลมหายใจออกเด็กแว้ามาครั้งแรกคลอดจากคันมานดาต้องพ่นลมออกซะก่อนเพื่อที่จะเคลียช่องทางเดินหายใจช่องทางคอบางทางจมูกบ้าง พรวดออกมาเสร็จปึ๊บจึงค่อยหายใจเข้าต่อไปก็เป็นลมที่ออกมากันแล้วก็เป็นลมที่เข้าไปอากาศที่เคลื่อนเข้าสู่ร่างกายของเราผ่านทางบรงจมูหรือว่าลมหายใจเข้านั้นมันก็จะมีสัมผัสที่เกิดขึ้นในช่องทางที่มันเข้าไปด้วยออกมาก็เหมือนกันนะ อาการที่เคลื่อนออกจากร่างกายของเราผ่านทางบรงจมูกนั้นเวลามันออกมามันก็จะมีสัมผัสกระทบกันกับช่องทางในนี้ด้วยเวลาเราจะสังเกตเราสังเกตตรงนี้โดยที่ไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกเวลาสังเกตลมหายใจเราไม่ต้องตามลมจากปลายจมูกเข้าไปจนถึงโรงจมูก ก็ไปจนถึงคอถึงอกถึงท้องหรือตามออกมาจากท้องจากอกมาสู่คอสู่ปลายชมูกไม่ต้องไม่ต้องให้สังเกตดูอยู่นะที่ตำแหน่งเดียวคือตำแหน่งที่เรารับรู้ถึงสัมผัสของลมจะเริ่มต้นจากการลอหายใจแรงๆสักสองสามครั้งก็ได้หายใจแรงๆสองสามครั้ง รับรู้ถึงสัมผัสได้นะที่ตำแหน่งไหนเอาจิตของเราจดจ่อใส่ใจสังเกตดูเฝ้าระวังไว้นะที่ตำแหน่งนั้นกําหนดดูลมณนะที่จุดนั้นซึ่งก็จะเป็นตำแหน่งบริเวณที่เรารับรู้กลิ่นนั่นแหละเพราะว่าบริเวณนั้นเป็นบริเวณที่มีเนื้อเยอื่อที่ละเอียดอ่อนอยู่เยอะเวลาที่เราดมกลิ่นหอม หรือกลิ่นเหมนกลิ่นอาหารกลิ่นพัยากลิ่นดอกไม้บริเวณนั้นมันจะมีเนื้อเยื่อที่ละเอียดอ่อนอยู่มากจะรับสัมผัสของกลิ่นต่างๆได้ดีก็จะเป็นบริเวณนั้นแหละที่เรามาเฝ้าสังเกตดูลมรับรู้ถึงสัมผัสของลมได้พอเรารับรู้ถึงสัมผัสของลมณนฑะที่ตำแหน่งไหนอยู่บริเวณในโพรงจมูกแล้ว ตั้งจิตกของเราไว้นะที่ตำแหน่งนั้นไม่ต้องตามลมแล้วก็ไม่ต้องบังคับลมหายใจด้วยว่ามันจะต้องสั้นยาวเร็วช้าทีห่างเย็นร้อนอย่างไรอย่างไรไม่ต้องให้ใหายใจยังเป็นธรรมชาติธรรมดาเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยเขาจะปรับโดยอัตโนมัติแล้วถ้าบางคนวิ่งอยู่มันก็ใช้ลมหายใจมากหน่อยก็าหายใจทีหน่อย บงคนยังอยู่ในท่านอนร่างกายไม่ได้มีกิจกรรมอะไรมากก็หายใจห่างๆหน่อยไม่ลึกเท่าไหร่เราไม่ได้มาฝึกหายใจถูกฝังในตอนนี้เรา ม, มาฝึกจิตโดยใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือเราไม่ได้มาฝึกลมหายใจไม่ต้องว่าต้องนับเลขเข่าเท่านี้ก็หายใจไห้ไม่ต้องให้เป็นธรรมาชาตินี่คือประเด็น ให้มันสบายๆนี่คือหลักการไม่ต้องบังคับเพราะว่าถ้าเราบังคับลมเกรงหรือบีบคั้นส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายมันก็จะทำให้ไม่เป็นธรรมชาติแล้วก็จะเป็นการบังคับจิตไปในตัวด้วยก็จะทำให้ทำสมาธิไม่ได้เราฝึกจิตด้วยการใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือโดยไม่ต้องตามลม ให้เฝ้าดูอยู่นาที่ตำแหน่งเดียวไม่ต้องบังคับลมให้หายใจยังเป็นธรรมชาติธรรมดาให้เราเฝ้าดูสังเกตดูกำหนดดูอยู่นาที่ตำแหน่งเดียวการที่จิตของเรามาระลึกถึงลมหายใจนี่เรียกว่าเป็นอาณาปานาสติแล้วตัวฝังเพราะว่าโดยมาก จิตของเรานั้นมันจะมีการคล้อยเคลื่อนไปตามอารมณ์ต่างๆเอ้เปรียบไว้เหมือนกับน้ำที่มันจะไหลลงสู่ที่ต่ำเสมอเึ้นเปรียบไวเหมือนกับปุยนุ่นหรือปุยฝ้ายที่เวลามันวางอยู่บนพื้นเรียบเรียบแล้วมีลมเหนือพัดมามันก็จะไปทางใต้มีลมตะวันออกพัดมามันก็จะไปทางตะวันตกเป็นธรรมดา เปรียบไว้กับจิตว่าถ้ามันมีอะไรมากระทบจิตตรงไหนจิตมันก็จะไปตามทางนั้นถ้ามีเสียงมากระทบจิตผ่านทางหูจิตมันก็จะไปทางหูเลยไปตามเสียงนั้นถ้ามีอะไรมากระทบผ่านทางลิ้นผ่านทางลิ้นมันจะเป็นแสงไม่ได้นะมันก็ต้องเป็นรสอาหารเท่านั้น จิตมันก็จะไปผ่านทางลิ้นสู่แสงไม่ได้นะก็ต้องไปสู่รสอาหารนั้นผ่านทางลิ้นเป็นช่องทางเป็นอายตนามาช่องทางใจนี่แมันสาคัญถ้ามีธรรมารมคือความคิดนึกเรื่องนั้นเรื่องนี้มากระทบจิตผ่านทางช่องทางใจจิตมันก็จะไปทางนั้นทันทีไปตามความคิดนึก เรื่องอดีตบ้างเรื่องอนาคตบ้างเรื่องคนนั้นบ้างคนนี้บ้างเรื่องงานบ้างเรื่องเพื่อนบ้านบ้างเรื่องการเมืองเรื่องสังคมเรื่องการเดินทางโอ้ยจีปาถาเลยในช่องทางใจนี่ธรรมารมณมีมากมายเยอะแยะท่านเปรียบไว้เหมือนกับเราเอานกมาผูกไว้ด้วยเชือกเหนียวเส้นหนึ่งเขาสุนัขบ้านสุนัขจิ้งจอก จรเคงูแล้วก็ลิงมาผูกไว้ด้วยเชือกเหนียวเส้นหนึ่งเส้นหนึ่งแล้วปลายเชือกอีกด้านหนึ่งนะมาผูกรวมกันไว้เป็นปมพอผูกรวมกันเอาไว้เป็นปมแล้วมันต้องไปด้วยกันนะตัวใดตัวหนึ่งจะแยกไปไม่ได้แต่ว่าแต่ละตัวมันมีที่อยู่ที่หากินไม่เหมือนกันนะ นกที่ไหนมันจะลงน้ำล่ะถ้าไม่ใช่นกเป็ดน้ำใช่ไหม่ะจร์เขีที่ไหนมันจะบินขึ้นฟ้าล่ะมันไม่มีปีกนะจอร์เข้มันก็ต้องลงน้ํานกมันก็ต้องบินขึ้นฟ้าสุนัขจิ้งจอกที่ไหนมันจะเข้าหมู่บ้านใช่ไหมมันก็กลัวคนมันก็ต้องไปป่าช้าสุนัขบ้านต่างหากมันคุ้นเคยกับคนมันก็จะไปในหมู่บ้านลิงมันก็จะไปในป่าใหญ่งูก็จะเข้าจอมปลว แต่ละตัวมีที่เที่ยวที่หากินของมันของมันมันไม่ไปด้วยกันหรอกแต่ด้วยความที่ว่าเชือกมันเหนียวมันไม่ขาดผมมันก็แน่นตัวไหนมีกำลังมากกว่ามันก็ดึงตัวอื่นไปถ้านกมีกำลังมากมันก็จะลากดึงทั้งห้าตัวนั้นไปสู่บนท้องฟ้าได้แต่เป็นนกประเภทครุดบินได้รับน้ำหนักไว ถ้าเป็นงูมันดึงมีกำลังมากมันก็จะดึงตัวอื่นๆเข้าไปสู่ถ้ำสู่ที่อาศัยของมันแต่เป็นงูแบบอนาคอนด้าเนี่ยถ้าเป็นจระเข้ที่มีกำลังมากๆเช่นชลาวันอย่างนี้ดึงใบนี่สัตตัวเหนื่อยมันก็ต้องตามไปหรือถ้าลิงมันมีกำลังมากเอาเป็นพวกซึงหอคงอย่างี้ มีกำลังมากมก็ดึงสัตรูอื่นๆไปได้หมดนะอยู่ที่ใครมีกำลังมากกว่านนกันตนหนึ่งจิตขอเราเหมือนกันนะบฟังเดี๋ยวไปตามเสียงผ่านทางหูบ้างถ้าเสียงนั้นมีกำลังมากเสียงที่มีกำลังมากคือทำให้มันเกิดสุขหรือทุกข์มากถ้าเป็นกลิ่นที่มีกำลังมากคือกลิ่นที่ทำให้เราหอมามากๆเย้ายนใจมากๆหรือเหม็นมากๆ ม, มันก็จะดึงจิตเรา ผ่านทางจมูกนั้นไปได้เพราะว่าจมูกนี่มันรับแสงรับเสียงไม่ได้นะต้องเป็นกลิ่นเท่านั้นก็คือสุนัขจิ้งจอกมีกำลังมากแล้วเพราะว่าสุนัขจิ้งจอกนี่มันจมูกดีได้กลิ่นสร้างศพอยู่ใกล้ๆเป็นหลายๆ1 0บกิโลเมตรมันก็ยังตามไปได้เพราะจมูกมันดีแต่เป็นสุนัขบ้านมันได้ยินเสียงเจ้าของเรียกชื่อมันนี่ มันจะรีบิ่งไปเลยเพราะหูมันดีมันคุ้นเคยกับเสียงมนุษย์รู้สำรู้ภาษาบางคำได้นกมันบินขึ้นสูงนกเอานกเปรียบเทียบไับตาเพราะมันมองจากที่ไกลๆเห็นชัดเจนเพราะว่านกในตามันดีส่วนจระเจ้เวลามันสกินอะไรมันกลืนเลยเพราะมันลิ้นมันนิดเดียวไม่ถึงหนึ่งองค์ลีมันจะป็นต้องลิ้มรสก่อน เพื่อความอยู่รัก็กินเลยชราเก็เปรียบเทียบไว้กับลิ้นที่จะรับรู้รสอาหารส่วนงูเวลามันจะไปไหนมันไม่มีขามันก็ใช้ตัวของมันเนดันๆันพื้นไปเขาเรียกอาการนี้ว่าเลื้อยคือใช้กายของมันงูนี่ก็เปรียบกับกายลิงมันไม่อยู่นิ่งหรือมันก็เกายิกยิกหรือมันขยับไปขยับมาเปรียบเทียบกับใจ เดี๋ยวคคิดเรื่องนั้นเดี๋ยวคคิดเรื่องนี้มีมาเต็มไปหมดสัร์หชนิดตัวไหนมีกำลังมากกว่าก็จะดึงสัสตว์ตัวเดินไปถ้ารมความรู้สึกของเราที่เกิดขึ้นผ่านทางช่องทางไหนก็ตามตารับภาพรับแสงหูรับเสียงจมูกรับกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายถูกต้องสัมผัส คือโปดทัพะร้อนบ้างเย็นบ้างหยาบบ้างละเอียดบ้างนุ่มบ้างแข็งบ้างใจนี่มีความคิดนึกคือตมารมเรื่องคนนั้นคนนี้อดีตอนาคตคนเราเนี่ยมีอยู่หกช่องทางที่มันเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับจิตของเราอยู่ช่องทางไหนรับอายตนะแบบใดเสียงหรือภาพ ก็ต้องมาทางหูทางตามีอารมณ์สุขบ้างทุกบ้างเกิดขึ้นจิตก็จะไปตามช่องทางนั้นๆไปตามแล้วตรงนี้แหละตัมบูฟังมันมีปัญหาเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นมีอารมณ์ติดมาด้วยเสมอจิตที่เป็นแบบนี้จะเรียกว่าเป็นจิตที่สะดุง้งสะดุ้งไปตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆที่มากระทบ เสียงบ้างาพาบางอะไรมีกำลังมากกว่าทูกดึงไปที่จะสะดุ้งสะดุ้งสะเทือนหรือก็สุกบ้างมากเลยตามเสียงที่มันไพเราะแต่ก็ทุกบ้างโอ้มากเลยตามกลิ่นที่มันเหม็นผ่านมาทั้งจมกูกจิตเรามันจะไม่อยู่นิ่งเลยทุกั่งมันจะสะดุ้งโดยเชิงยิ่งไปตามความคิดนึกนี่ เราก็คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ฟุ้งซ่านไปเรื่นี่นอนหยุดหยุดยุดยุดยุดแทนที่ใช่มันเป็นอย่างนั้นให้เราเอาปลายเชือกด้านหนึ่งอย่าเอาไปผูกรวมกันแต่เอาไปผูกไว้กับเสาที่มีความมั่นคงผู้อธิบายมาเรึ่องรายการนี่นะคือแค่อธิบายการทำงานของจิตของเราเฉยๆเลยนะนี่นะจากนี้ไปจะเริ่มการปฏิบัติแล้ว โดยการแทงที่จะเอาปลายเชือกไปผูกรวมกันเป็นปมพอามาผูกไว้กับเสาเขืนเสาหลักคือเสาที่มีความมั่นคงเขาเอาเสาหินดัฝังเอาเสาหินทั้งแท่งไม่มีรอยต่อมีเส้นผ่านศูนย์กลาง2ศอกยาว16ศอกฝังล ง, งไปในดินลึก8ศอก โลกขึ้นพ้นดินแปดซอกตบดินอย่างแน่นหนามั่นคงเอาปลายเชือกอีกด้านหนึ่งของเจ้าสัตว์หกชนิดนั้นมาผูกไว้กับเสาประเภทนีแน่นอนหวังมันจะไปไหนไม่ได้เสาได้รับแรงดึงอยู่เชือกตึงขึ้นอยู่แต่เชือกก็เหนียวเสาก็มั่นคง จะระเข้มาดิไปไม่ได้ดึงก็ดึงไปนกก็บินไปลิงสุนัขจิ้งจอกสุนัขบ้านก็วิ่งไปงูก็เลื้อยไปดิแต่เปนไปไม่ได้เพราะเสามั่นคงเชือกเหนียวมันทําไปวิ่งไปเลื้อยไปใช้แรงไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเดี๋ยวมันจะอ่อนแรงลงเองทุกครั้งที่มันดึงไปมันไปไม่ได้มันก็อ่อนแรงลงนิดหนึ่ง อ่อนแรงลงนิดหนึ่งซึ่งก็เทื่งว่ามันหมดแรงถ้ามันหมดแรงเมื่อไหร่นกมันเมื่อยปีงูมันเมื่อยท้องลิงสุนัขบ้านสุนัข ก, กิ้งจอกจระเข้มันเมื่อยขาเมื่อยหางมันแล้วนี่เดี๋ยวมันก็มาอยู่นิ่งๆมันก็จะมายืนเจา้านั่งเจา้านอนเจา้าอยู่ข้างเสาเขื่อนเสาหลักนี้ ให้เราตั้งเสาเของเราขึ้นเหมือนกันทังบวชเสาในที่นี้ท่านเปรียบไว้คือสติสติแปลว่าอะไรนะการระลึกได้ในที่นี้เราระลึกถึงอะไรนะลมหายใจแต่ลมหายใจไม่ใช่สตินะลมหายใจก็คือลมหายใจเป็นธาตุลมเป็นส่วนหนึ่งของกายแต่การระลึกถึงลมหายใจนี่ทั้งอ่ะทังบวชคือสติ ลมหายใจไม่ใช่สติลมหายใจเป็นธาตุลมร่างกายของเรามีธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็คือธาตุลมนี่แหละเป็นส่วนหนึ่งของกายการที่เราใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือเรียกว่าอาณาปานสติวันนี้เราจะใช้เครื่องมืออื่นก็ได้บางคนจะใช้ศีลก็เรียกว่าเป็นศีลานุสติ บางคนจะนึกถึงการให้การบริจาคที่ตัวเองเคยทำไปบริจาคไปนั่งก็เป็นจากการนุสติบางคนจะนึกถึงกายในแบบเด่มเพื่อเป็นกายยะกัตตาสติได้ในที่นี้เราเจาะจงลงมาที่ลมหายใจตั้มว่งหายใจเข้าหายใจออกไม่ต้องบังคับกำหนดรู้อยู่หนะ้าที่ตำแหน่งเดียวไม่ต้องตามลม การรู้ถึงการรู้ได้นั้นคือสติเจะจงลงมาเรียกว่าอานาปานาสติถือว่าเราตั้งเสาขึ้นแล้วทีนี้เสาเรามันจะเป็นเสาที่มั่นคงเหมือนอย่างกับเสาหินทั้งแท่งไหมหรือบางทีมันอาจจะเป็นเสาแบบเสาไม้ลวกคือไม้ซีกธรรมดาเลยด้วยอ่ะปากนี่ปากอยู่บนกองแกลบ หรือบนดินเลนปากลงไปก็ปากไม่ลึกด้วยนะเราก็ไม่ต้องพูดถึงลิงเลยละ่ะแค่ว่าลมพัดบางทีมันก็ลมแล้วนั่นคือเสาที่ถ้าไม่มีกําลังไม่แข็งแรงมันก็จะใช้งานไม่ได้หรือว่าเชือกมันไม่เหนียวเป็นเส้นได้ธรรมดานะ่ะผูกไว้มันไม่อยู่หรอกมันต้องให้เชือกเหนียวเสาที่แข็งแรง เาและเชื่อตรงนี้ก็เปรยียบกับกําลังสติของเราทุกฝังเราฝึกเราทําขึ้นมันจะแข็งแรงขึ้นมาเพราะว่าสตินั้นเป็นทักษะวิรู้ฟังมานั่งทําฝึกทําสังเกตดูลมนี่รู้ลมอยู่ใช่ไหมละ่ะรู้หนึ่งลมรู้สองลมรู้หนึ่งครั้งรู้สองครั้งทําได้ครั้งหนึ่งไปทําต่อได้อีกครั้งหนึ่งอันนี้ล้วมันคือมีสติแล้วเราลึกถึงแล้ว มีสติไม่ลืมหลงลมหายใจเถิดเราจะเรียบเทียบกับว่าราถลึกไม่ได้ก็ลืมลืมลมหายใจไปลืมละจินไปไหนก็เหมือนลิงมไปไหนล่ะนกมันไปไหนอะ่ะโซลเกมันไปไหนลิงมันก็เข้าป่าเลยนกก็บินไปต่อไหนต่อไหนแล้วร่องรอยมันก็ไม่เห็นด้วยโซลเก้ก็ลงน้ำมาดิหาตัวก็ไม่เห็นด้วยอยู่ใต้ผิวน้ําแล้วจิตมันก็ไปตามนี่แหละ ไม่ความคิดผ่านทางใจก็เสียงผ่านดังหูหรือไม่ก็ไปตามภาพผ่าน่างตาลืมลมหายใจแล้วเผลอไปแล้วทีนี้ถ้าไม่ลืมก็คือนึกถึงลมหายใจได้อยู่ใช่ปะะ่มล่ะนึกถึงลมหายใจได้อยู่ไม่ลืมลมแม้ในขณะที่ได้ยินเสียงก็ตามนั่นคือสุนักบ้านเนี่ยมันได้ยินเสียง โจกอมันเรียกแล้วมันก็วิ่งไปเลยแต่เชือกเหนียวไม่ขาดเสามั่นคงไม่ล้มมันไปไม่ได้เชือกตึงขึ้นเสาได้รับแรงดึงขึ้นแต่มันไปไม่ได้เหมือนกันเราได้ยินเสียงใดๆก็ตามเราไม่ลืมล้มนี่มันสำคันตรงนี้เราได้กลิ่นอะไรก็ตามเอ้านั่นสุนัขจิงจอกได้กลิ่นซากศพแล้วมันจะวิ่งไปแล้ว มันจะวิ่งไปยังป่าช้าไปทางทิศทางนั้นที่มันได้กลิ่นเชื่อก็ตึงขึ้นเสาก็ได้รับแรงดึงขึ้นนั่นคือเราไม่ลืมลมหายใจแม้เราได้กลิ่นอะไรก็ตามหรือถ้าลิงอ่ะลิงมันเกายิ้กยิๆมยิกลม็จะวิ่งไปทางป่าละหวนตัวไปมาตามสัญชาตญาณของมันเหมือนเรามีความคิดใดๆผ่านมานี่เดี๋ยวคิดเรื่องงานแล้วได้คิดเรื่องจะเดินทางแล้วได้๋คิดไปที่นั่นที่นี่ละ มีความคิดขึ้นมาใช่ไหมแต่ไม่ลืมลมนะไม่ลืมลมก็คือเชือกไม่ขาดมันเหนียวเสาไม่ล้มเหมือนมันคงเชือกและเสาเนี่คือสติของเราถ้าลืมใช่ไหมคือเชือกขาดเสาล้มถ้าไม่ลืมคือเชือกไม่ขาดเสาไม่ล้มไม่ลืมอะไรไม่ลืมลมไงไม่ลืมลมก็ระลึกถึงลมได้ระลึกถึงลมได้ในขณะที่ก็มีความคิดนั่นแหละ มีความคิดใดๆผ่านมาก็หมาดิณลิงก็ดึงขึ้นนี่แต่มันไปไม่ได้เชือกตึงขึ้นเสาได้รับแรงดึงขึ้นแต่ไม่ขาดไม่ลม้มนั่นคือเรารู้ลมอยู่ในขณะที่ก็มีความคิดนั่นแหละเราไม่ลืมลมอยู่ในขณะที่ก็ได้ยินเสียงนั่นแหละได้กลิ่นนั่นแหละกินอาหารด้วยนั่นแหละเห็นภาพต่างๆด้วยนั่นแหละแต่ไม่ลืมลมนั่นคือเชือกตึงขึ้น เสาได้รับแรงดึงขึ้นแต่เชือกไม่ขาดเสาไม่ล้มแล้วมันจะเป็นยังไงสัตว์เหล่านั้นตระหนักวาพอมันดึงไปดึงไปมันไปไม่ได้มันเป็นยังไงมันก็จะอ่อนแรงลงนิดหนึ่งนิดหนึ่งนี่แหละตระหักมันเป็นทักษะเชือกไม่ขาดเสาไม่ล้มคือเราไม่ลืมลมในขณะที่เราไม่ลืมลมได้ยินเสียงเราไม่ลืมลม มีความคิดเราก็ไม่ลืมลมมาก็มาภาพกลิ่นรสมีมาไม่ลืมลมใส่ใจไว้อยู่กับลมจิตของเราในนั้นเป็นเงียบหวังเหมตรนตรึกไปทางไหนมากจิตมันจะน้อมไปทางนั้นจิตน้อมไปทางไหนมากสิ่งนั้นจะมีกำลังตรงข้ามก็ไหมกันนะถ้าเราไม่ตรึตรก ไปทางไหนจิตเรามันก็ไม่นอมไปทางนั้นจิตเราไม่นอมไปทางไหนสิ่งนั้นก็อ่อนกำลังเวลาที่เรามาตรีตรึกคิดนึกอยู่กับลมนั่นคือเราไม่ลืมลมพอเราไม่ลืมลมจิตเราอยู่กับลมสิ่งที่จะมาด้วยกันนั่นก็คือกำลังสติที่จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น สติของเราก็จะมีกำลังมากขึ้นตามกระบวนการของอาณาปานสติเวลาที่เราได้ยินเสียงมีความคิดนึกเห็นภาพแล้วเราไม่ลืมลมเรามาตรึกตรึกคิดนึกอยู่กับลมสติของเราก็มีกำลังมากขึ้นเวลาที่เราได้ยินเสียงเห็นภาพจิตเราอยู่กับลม ความที่เราจะตรีตรึกไปตามเสียงนั้นความคิดนั้นภาพนั้นก็จะลดลงเพราะอะไรเพราะเราไม่ลืมลมไงเพราะจิตเรามันมาเรื่อยถึงลมไงความที่จิตมันจะไปตามเสียงนั้นภาพนั้นความคิดนั้นร้อยเปอร์เซนเหมือนตอนที่เราลืมลมเนี่ยมันก็จะลดลงความเผลอไปความเปลินไ ป, ป, ล, ไปลดลงความตรีตรึกไปทางไหนน้อยลงลดลง จิตก็น้อมไปทางนั้นลดลงน้อยลงชิตเราน้อมไปทางไหนลดลงน้อยลงสิ่งนั้นก็จะอ่อนกํำลังลงเหมือนสัตว์6ชนิดที่มันถูกผูกอยู่ด้วยเชือกเหนียวรังไว้ด้วยเสาที่มั่นคงดึงใบต่อนหน้ามันมีกําลังมันก็ดึงใบแต่พอไปแล้วมันไปไม่ได้มันก็จะค่อยอ่อนแรงลงอ่อนแรงลงเช่นเดียวกัน เวลาเราได้ยินเสียงเห็นภาพมีความคิดนึก่องต่างๆเราไม่ลืมลมความที่จิตมันเจอไปร้อยเปอร์เซนต์ในความคิดนั้นเสียงนั้นภาพนั้นก็จะลดลงที่มันมีกำลังอยู่มันก็จะค่อยอ่อนแรงลงอ่อนแรงลงจิตของเราที่ไม่ลืมลมมันอยู่กับลมความระลึกได้นั้นคือสติสติก็มีกำลังมากขึนมากขึน เพิ่มขึ้นทีละนิดละนิดแน่นอนนะทุกฝัง่งว่าตอนที่เราดูลมหายใจเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะไม่มีความคิดไม่ใช่ว่ามันจะไม่เห็นภาพถ้าเราลืมตาถ้ามีกลิ่นบานมาทำไมเราจะไม่ได้กลิ่นแล้วก็เรามีจมูกมีแรงกำเนิดเสียงมีเสียงนกบ้างมีเสียงคนบ้างเราก็ได้ยินอันนี้มันธรรมดาเพราะเรามีหูแต่ถ้าเชือกไม่ขาดเสาไม่ล้มสุนัขบ้างสุนัขจิ้งจอกนก มันไปไม่ได้มีแรงอยู่ที่เชือกตึงขึ้นเสาได้รับแรงอยู่แต่มันไม่ขาดไงมันไปไม่ได้เหมือนกันเราได้ยินเสียงเห็นภาพมีความคิดแต่เราไม่ตามลมมีความคิดนั่นเลนคือตึงขึ้นแล้วมันดึงแล้วเสาได้รับแรงแล้วแต่ไม่ลืมลมไงถ้าลืมลมหายใจเมื่อไหร่นั่นก็คือเชือกขาดแล้วเสาล้มแล้ว ลืมลมหายใจไปก็เพลินไปตามความคิดนั้นเสียงนั้นภาพนั้นร้อยเปอร์เซนตนั่นคือสุนัขบ้านก็เข้าไปในหมู่บ้านแล้วเชื่อขาดแล้วลิงนีนเข้าป่าแล้วนกในบินขึ้นฟ้าแล้วโ อ, โอ้พอรู้สึกตัวแล้วทำยังไงก็ผูกเชือกขึ้นใหม่ตั้งเสาขึ้นใหม่จับสัตว์มาผูกไว้อีกขึ้นใหม่อีกก็คือเราก็มารู้ึกถึงลมหายใจของเราใหม่ ไม่ต้องกังวลใจอันนี้มันธรรมดาเพราะว่าถ้าเรามามัวกังวลใจว่าโอ้ทำไมฉันฟุ้งซ่านทำไมฉันคิดมากมายทำไมฉันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไอ้ น, นี่มันจะทําให้จิตขอเราอ่อนกําลังเพราะอะไรเพราะเราตรึกตรึกคิดนึกไปทางไหนจิตมันน้อมไปทางนั้นไงจิตเราน้อมไปทางไหนสิ่งนั้นมีพลังนะเราอย่าไปตรึกตรึกคิดนึกในเรื่องที่จะทําให้เกิดความกังวลใจ ความเชื่อความเข้าใจที่ว่าโอ้ฉันมันบุญน้อยบาปหนาะฉันก็ทำไม่ได้ฉันจิตฟุง้งซ่านจะไม่เคยทำได้เลยนั่นเป็นความเชื่อที่ผิดเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกอย่าไปคิดอย่างนั้นจะไม่คิดไปทางไหนได้จิตเราอย่าส่งไปทางนั้นจิตเราให้ตั้งไว้อยู่กับลมจิตเราจึงจะไม่เพลินไปตามความคิดใดๆที่มา จะให้จิตของเราตั้งไว้อยู่กับลมได้เอาลองตุบตัวอีกครั้งหนึ่งดูหายใจลึกๆสักสอสามครั้งไม่แหละความระลึกถึงลมหายใจได้นั้นคือสติสติกับสมาธิเป็นคนละอย่างกันมีสติโดยยังไม่มีสมาธิก็ได้มีสติโดยตอนที่ยังฟุ้งซ่านคิดมากคิดบ้าบอคิดไม่สงบมีความคิดไม่ถูกต้องมีสติอยู่ได้ อะไรเพราะสติกับสมาธิมันก็ละอย่างกันสิ่งที่มันจะเป็นกู้ตรงข้ามกันระหว่างสมาธิมันก็คือความฟุ้งซ่านไงถ้าฟุงา้งซ่านจิตมันก็ไม่เป็นสมาธิถ้าเป็นสมาธิจิตมันก็ไม่ฟุง้งซะาจิตที่จะไปคิดเรื่องการปฏาาิบัติเบียดเบีย น, ยนง่วงซึมต่างๆมันจะไม่มีถ้าจิตเป็นสมาธิแล้วแต่ถ้าเลยง่วงอยู่ ยังคิดฟุ้งซ่านอย supervised. ู่ยังคิดไปนั่นนี่จิดมันไม่เป็นสมาธิหรอกแต่สติมันเกิดขึ้นได้เราฟุ้งซ่านอยู่เรามีสติอยู่กับลมความฟุ้งซ่านนั้นจอนกำลังลงเราง่วงนอนอยู่เรามีสติอยู่กับลมความง่วงนั้นจอนกำลังลงเรามีความคิดไปในทางการเราไม่พอใจคนนั้นคนนี้เรามีสติอยู่ก <amaan meille> ับลมสิ่งนั้นจอนกำลังลง ขขอะไรเพราะเร า, ขขเร า, เราตรึกไปทางไหนจิตเราน้อมไปทางนั้นไงเราไม่ตรึกไปทางไหนจิตเราก็ไม่นอมไปทางนั้นจิตเราน้อมไปทางไหนสิ่งนั้นก็มีพลังจิตเราไม่น้อมไปทางไหนสิ่งนั้นก็อ่อนกําลังถ้ า, จ, า, า, า, าจิตเราน้อมไปในทางฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านก็มีกําลังจิตเราน้อมไปในทางง่วงนอนคิดแต่เรื่องง่วงนอนความง่วงนอนก็มีกําลัง เราคิดไปในทางพยาบาทไม่พอใจคนนั้นคนนี้คิดอยู่เรื่อยความพยาบาทก็มีกําลังความพยาบามไม่พอใจความคิดอยากได้นั่นนี่ความฟุง้งซ่านความง่วงมีกําลังเมื่อไหร่สมาธิมันเกิดขึ้นไม่ได้แน่นอนมันพูดตรงข้ามกันแต่ถ้าเรามีสติอยู่กับลมหมายถึงเราไม่ลืมลมหายใจความพี่จิตมันจะคล้อยเคลื่อนไป ในทางความง่วงความฟุ้งซ่านความคิดพยาบาทไม่พอใจนั่นนี่มันจะลดลงทำไมนะเพราะความเผลอเปลนตรงข้ามกับสติไงถ้าเราไม่เปลี่ยนไปตามความง่วงไม่เปลี่ยนไปตามความโกรธไม่เปลี่ยนไปตามความฟุ้งซ่านเราอยู่กอะไรจิตเนี่ยอยู่กับล้มมีความฟุ้งซ่านไหมมีมีความง่วงไหมธรรมดาพความไม่พอใจจะเกิดขึ้นได้เปล่ามันก็มีมันก็มาน่นะ แต่เราไม่เปลินไปร้อยเบอร์เซ็น์นะะอะไรเราไม่ลืมลมเพราะเราอยู่กับลมจิตที่มันจะเปลินไปตามนั้นมันลดลงจิตไปทางไหนน้อยลงลดลงพลังที่สิ่งนั้นมันจะมีก็จะอ่อนลงอ่อนลงเรามีสติอยู่ในขณะที่เราก็ง่วงได้เรามีสติอยู่ในขณะที่เราก็ฟุ้งซ่านได้โกรธโกลนได้คิดไปบ้าบานนั่นนี่ได้ สติไม่ใช่คิดไปตามเนื่องนั้นนะแต่สติอยู่กับลมนะความนึกถึงลมหายใจได้การนึกถึงการระลึกได้โดยใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือก็เรียกว่าอาณาปานสติเพอเราใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือในการระลึกถึงจิต ท, ที่มันจะคล้อยเคลื่อนไปตามต่างนั้นจะเบาบางลงความฟุ้งซ่านก็จะอ่อนกําลังลง ความง่วงซึมก็จะอ่อนกำลังลงความคิดปียาบาดไม่พอใจความลุ่มหลงนั่นนี่ก็จะอ่อนกำลังลงอ่อนกำลังลงเหมือนสัตว์หกชนิดผูกไว้กับเสาแต่มันไปไม่ได้เสาได้รับแรงไหมเชือกตึงไหมตึงแน่ได้รับแรงแน่แต่ไม่ขาดเสาไม่ล้มมันคือมีสติอยู่ เรามีสติอยู่ในขณะที่เราก็ฟุ้งชาหันมีมิวรมีเรื่องการกั้นต่างๆนั่นนี้ได้โดยไม่ลืมหลมทำไปตัวฝังเหมือนสับหมูสับไปสับไปจากหมูชิ้นใหญ่ๆแล้วมันก็ละเอียดลงไปเองเหมือนกวนเนยนมจากที่มันเหลวๆใส่สารหมักลงไปกวนไปกวนไปเดี๋ยวมันก็ข้นขึ้นมาเองเป็นเนยขึ้นมาเอง จิตขเรามันยังฟุง้งซ่านอยู่คิดไป เ, เรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ไม่ลืมลมไงพอไม่ลืมลมซ้าไปซ้ามาสติมีกำลังมากขึ้นเพราะเราตริตรึไปทางไหนจิตน้อมไปทางนั้นจิตน้อมไปทางไหนสิ่งนั้นมีพลังสติมีกำลังมากขึ้นแล้วความฟุง้งซ่านอ่อนกำลังความง่วงอ่อนกำลังความคิดในทางไม่พอใจในทางลุ่มหลงอ่อนกาลังอ่อนกาลังสมาธิมันจะเกิด ปรากฏขึ้นมาทับ่ังมันจะค่อยคลี่ตัวขมันออมามันจะค่อยปรากฏรวมลงกันขึ้นมาจิตเราจึงจะเป็นสมาธิได้จากการที่เราตั้งสติเาไว้สมาธิมันไม่ได้ว่าเกิดโดยไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยนะคิดว่าเออฉันหลับตาแล้วจิตก็จะต้องเป็นสมาธิขึ้นมาทันทีแต่ฉันทาไม่ได้มันคือฉันทาไม่เป็นมันไม่ใช่มันเป็นการฝึกตอนนี้เรารู้วิธีการ คือตั้งเสถียรไว้เรารู้ขั้นตอนคือทําได้คือไม่ลืมลม้มเราเข้าใจกระบวนการคือทําเป็นคือการฝึกฝนทําอยู่บ่อยๆทําอยู่บ่อยๆมันก็เป็นขึ้นมานะเหมือนขี่จักรยานเหมือนว่ายน้ำเนี่แหละมันไม่ได้จําเป็นต้องไปอ่านหนังสือคู่มือการว่ายน้ําไม่เลยคุณกะโดดลงเลย สำลักน้ำสักสองสามอึกเดี๋ยวมันก็เป็นขึ้นมากระโดดขึ้นเลยจักรยานล้มสักสองสามครั้งเดี๋ยวมันก็ทรงตัวได้ขึ้นมาสมาธิอย่าทำเลยนั่งลงเลยหลับตาเลยจะอยู่ท่าไหนก็ตามสังเกตดูลมหมายใจเลยฟุ้งซ่านสองสามครั้งสบะบงงง่วงสักสี่ห้าครั้งคิดไปบ้าบอนั่นนี่แต่ถ้าไม่ลืมลมเดี๋ยวมันก็เป็นขึ้นมาได จิตมันก็สงบลงได้ตั้งสติไวให้ดีทุกฝังวันนี้เราไม่ต้องเอาอะไรกันมากเอาพื้นฐานเบสิคเบสิเหมือนเตามันต้องมีกระดองก่อนนะมันถึงจะออกหากินได้ป้องกันใบจากตัวมันเองได้จิตเราต้องมีสติเป็นกระดองเตาป้องกันภัยจากสัตว์ต่างๆมีสูตนักจิ่งจอกเป็นต้นที่จะมาคอย หาช่องทางที่จะจัดการทำร้ายจิตของเราที่ถ้าไม่มีสติรักษามันโปล่ไปทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจมาได้ช่องนี้เราจะสะดุ้งจะเกื่อนไปตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆเราเก็บจิตรักษาจิตของเราไว้ด้วยสติเหมือนเตาเขาเก็บรักษาอวัยวะรักษาตัวของมันไว้ด้วยกระดอง ให้สติเป็นกระดองของจิตของเรารักษาจิตของเราไว้ให้ดีรักษาไว้ด้วยสติจิตที่มีความระงับลงระงับลงจากที่ฟุ้งซ่านอยู่ไม่มีสติเลยแบบตามความฟุง้งซ่านตามความง่วงตามความอะไรไปเลยให้มามีสติขึ้นในขณะที่ก็ยังฟุ้งซ่านอยู่ง่วงอยู่คิดนึกนั่นนี่แต่ไม่ลืมลม สติค่อยมีกำลังมากขึ้นเปรียบเหมือนสัตว์6ชนิดผูกไว้กับเสาถ้ามันยังมีแรงดึงอยู่เชื่อกเกิดตึงเสาก็ได้รับแรงเปรียบไว้กับสุนัขจิ้งจอกมาวิ่งวนรอบตัวเต่าอยู่เต่าเก็บอวัยวะไว้ในกระดองสุนัขจิ้งจอกยังไม่ได้ไปไหนมันไม่ได้ช่องบกำบูฟังเชือกไม่ขาเสาไม่ล้ม สัตหกชนิดหนีไปไม่ได้หรอกตัวหังจนกระทั่งว่าสติเรามีกำลังมากขึ้นสาทท์ต้องหชชนิดอ่อนแรงลงเสาก็จะไม่ได้รับแรงดึงเชือกก็จะไม่ตึงเพราะมันมายืนเจา้านั่งเจ้าอยู่ข้างเสาเกินเสาหลักแล้วนั่นก็หมายถึงเสียงภาพอะไรต่างๆความคิดนึกนั้นมันเบาบางลงละหมดลงละ เป็นมีความคิดอะไรฟุ้งซ่านอะไรง่วงอะไรต่างหายหมดเหมือนสุนัขจิ้งจอกมันหนีไปแล้วมันไม่ได้ช่องจากเต่าแล้วมันทําอะไรไม่ได้เดี๋ยมันก็หลีกไปเองเพราอจิตเรามีกําลังสติเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นสมาธิก็เกิดขึ้นได้เองสมาธินั่นเป็นของระ ง, งับเป็นความประณีตเป็นของเย็นจะไม่ได้ด้วยการบังคับการข่มขี่การห้ามหรือการปรุงแตง่ง แ่ได้ด้วยความสงบระงับด้วยความประนีตทำอย่างนี้แหละทูกฝั่งเป็นความประนีตเป็นความสงบระงับรักษาจิตที่มีสติกร า, าไว้ให้ดีทำสมาธิให้เกิดขึ้นตนตรัสไว้ย่งนี้บอกว่าสมัโผพาวิโตจิตตังพาวิยติจิตตังพาวิตัง โยราโคโสปหิยติหมายถึงสมถะไงที่เราเจริญมาธรรมานั่นแหะคือสมถะสมถะที่เมื่ออบรมแล้วเจริญแล้วทำไม่มากแล้วจะได้ประโยชน์อะไรจิตของเราไมา่จะเจริญไงยห็นที่เราทรรมานี่ยจิตเราเจริญจิตเรามีการพัฒนาจิตเราเจริญแล้วพัฒนาแล้วจะได้ประโยชน์อะไรจิตเรานั้นจะละราคาได้ ราโคโสปะฮิยติตันบานี้เป็นตอนแรกช่วงแรกในการทำเจตของเราให้เป็นสมาธิด้วยการตั้งสติของเราขึ้นเอาไว้โดยวิธีการอาณาปานสติในเอพิโซดหน้าที่ฟังเราจะมาพูดถึงการทำวิปััสนาเป็นอีกเสาหนึ่งเป็นอีกหลักหนึ่งที่เราจะต้องมีเพื่อให้มีความก้าวหน้าในการปฏิบัติของเราได้ รักษาจิต ท, ที่เป็นสมาธิรักษาสติของเร า, เาไว้ให้ดีและที่ท่นานได้รับฟังจบไปนั้นคือช่วงของจิตตะวิเวในรายการธรรมรับรุณที่เป็นการฝึกปฏิบัติสมาธิชนิดที่เป็นรูปแบบในวันนี้นำเสนอเรื่องของวิธีการเจริญสมาธิในส่วนของสมถะรายการนี้นาเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาซึ่งมีพระ มาหาไปบูนพี่ปุณโนเป็นผู้ดำเนินรายการท่านสามารถติดตามรับฟังได้ที่เว็บไซต์ของธรรมมูลนิติี่ปัญญา .org panya.org หรือว่าติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือว่าทางยูทู n ช e น f ลเฟ b บุ๊กแฟนเพจสื่อโซเชียลต่างๆแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สุรินทร